จเจริญพนทุกท่านวันนี้กรุงเทพอบอุ่นเนาะห้องนี้ก็อบอุ่นดิหลวงพ่อไม่ได้ออกมาเทศนอกวัดนานแล้วเทศคราวสุดท้ายเนื่นพฤษภาปีห้าเก้า ท, ท, ที่มหาลัยเกษตรแล้วก็ไปเข้าโรงพยาบาลอยู่ตลอดปีเอาเกี่ยวโรงพยาบาลมาหมอเขาก็ให้อยู่ที่วัดเฉยๆไม่ให้ออกข้างนอกอยู่2องปีแต่2องปีนี้ก็ไม่ได้หยุดการทำงานตอนอยู่โรงพยาบาล อยู่ในห้องห้ามเยี่ยมแต่มีคนเขาไปเรียนกรรมฐานทุกวันเราห้ามแบบไทยๆแบบกันเองแล้วพอกลับมาอยู่วัดหลวงพ่อก็สอนมาเรื่อยๆมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มีคนใหม่ๆ จำนวนมากสนใจที่จะเรียนกรรมฐานถ้าพวกเราไม่เรียนกรรมฐานไม่รู้จักโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิปัสสนากรรมฐานเราพูดไม่ได้เต็มปากเมื่อเราเป็นชาวพุทธกรรมฐานมีสองอันอันนึงคือสมถะกรรมฐานอันหนึ่งคือวิปัสสนากรรมฐาน สมธถกรรมฐ า, านมีหลายแบบแบบที่ฝึกให้จิตสงบเนี่ยมีมาก่อนพระพุทธเจ้าถึงไม่มีพระพุทธเจ้าก็มีการฝึกสมาธิให้จิตสงบอย่างพวกฤาษีเขาบูชาไฟนนั่งเพ่งไฟไปเรื่อยๆมันก็เป็นกระสินไฟมีฤทิ์มีเดชได้หรือฝึกกรรมฐ า, านต่างๆกัน ศาสนาอื่นเขาก็มีกรรมฐานที่จะฝึกให้ใจสงบอย่างการสวดมนต์คิดถึงพระเจ้านะวันละหลายรอบเนี่ยก็ได้สมัครที่ได้สมถะกรรมฐานชนิดสงบแต่สำหรับชาวพุทธเราเนี่ยเราจะไม่ได้ฝึกสมถะกรรมฐานแค่ให้จิตสงบการฝึก กรรมฐานนะฝึกไปเพื่อเตรียมความพร้อมให้จิตเพื่อจะเจริญปัญญางานหลักของเราคือการเจริญปัญญางานหลักของเราไม่ใช่การทําความสมมงบดงนั้นต้องแยกให้ออกนะงานหลักจริงๆคือการเฉลิญปัญญาหรือการทํำวิปัสสนากรรมฐานอันนี้เป็นหลักสูตรเฉพาะ ของพระพุทธศาสนาไม่มีในคำสอนที่อื่นนี่ก่อนที่จะไปเจริญวิปัสสนาได้เนี่ยจะต้องมีการฝึกสมาธิชนิดหนึ่งนะสมาธิมีหลายแบบแต่สมาธิที่จะใช้สำหรับการเจริญปัญญาเนี่ยเป็นสมาธิที่มีลักษณะเด่นลักษณะเฉพาะคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่าจิตตั้งมั่น ธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะหลงออกไปข้างนอกตลอดเวลาเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยววิ่งไปดมกลิน่นเดียเด๋ยววิ่งไปลิ้มรสเดี๋ยววิ่งไปรู้สัมผัสทางร่างกายเดี๋ยววิ่งไปคิดนึกทางใจนี่ธรรมชาติของจิตมันจะวิ่งแสบใส่ตลอดเวลาเรียวกว่ามันฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยมันเรียนรู้ความจริงไม่ได้นะมันจะต้องฝึกจนกระทั่งจิตเนี่ยแปลสภาพจาก ผู้ร่อนเร่ไปทางตาหูจมูกเลี้นงกายใจมาเป็นผู้ตั้งมั่นรู้เนืรู้ตัวอยู่เป็นจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี้ยครูบาอาจารย์เรียกว่าตัวพุทโธที่เราเคยบางคนจะฝึกกรรมฐานบริกรรมพุทโธพุทโธ ถ, ถ้าบริกรรมพุทโธพุทโธเพื่อให้จิตสงบเนียอันนั้นยังใช้ไม่ได้นั้นสงบอย่างเดียว ตื่นเกินไปถ้าจะพุทโธเป็นนะเราจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนะต้องรู้ก่อนว่าพุทโธคืออะไรพุทโธคือจิตซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมือนที่เราบริกรรมพุทโธพุทโธเนะี่ยเพื่อเตือนตัวเองให้หันมารู้จักจิตซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตชนิดนี้เป็นตั้งมั่นเป็นจิตที่มีลักษณะเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวไม่ขี้เกียจ ควรแก่การงา น, นมันไม่ขี้เกียจที่จะเรียนรู้ความจริงแล้วการเรียนรู้ความจริงมัไม่ก็เรียนรู้แบบซื้อตรงแล้วเป็นจิตซึ่งไม่มีราคาไม่ได้โลภไม่มีโทสะไม่ได้มีความขัดเคืองไม่ได้มีโมหะคือความหลงจิตของคนส่วนใหญ่มันมีแต่จิตหลงนะหลงไปทางตาหลงไปทางหูหลงไปทางจมูกทางลิ้นทางกายหลงไปทางใจเนี่ยบ่อยที่สุดคือหลงไปคิด จิตของคนในรอกมีแต่ความหลงนะพวกฤาษีชี้ไพรเนี่ยเขาก็รู้ว่าจิต ท, ที่หลงฟุ้งซ่านทั้งวันเนี่ยมันไม่ดีเขาก็พยายามฝึกจิตให้สงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอันนี้เป็นสมาธิฤาษีนะฝึกให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวเช่นพุทโธพุทโธให้จิตอยู่กับพุทโธไม่ให้หนีไปที่อื่นเลยหรือรู้ลมหายใจให้จิตไหลไปรวมอยู่กับลมหายใจนิ่งอยู่ที่ลมหายใจนะ หรือบางทีก็เพ่งไฟนะเพ่งกระสีไฟจุดเทียนให้มาล้วก็นั่งเพ่งอยู่จิตไปสงบอยู่ที่เปลวไฟไม่หนีไปที่ไหนเลยการที่จิตไปสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวนี้เป็นสมาธิที่มีมา ก, ก่อนพระพุทธเจ้าฤอษีชีพายธรรมมา ก, ก่อนแล้วล่ะพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะออกจากวังมาขั้นแรกที่คิดถึงการปฏิบัติก็เหมือนพวกเรานี่แหละ ทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติจะต้องคิดถึงการไปนั่งสมาธิให้สงบนั้นเจ้าชายสิทธัตถ า, าก็ไปเรียนกระลือศีไปเรียนกราราลาตาบทุทักกดาบทเพ่งนะเพ่งจนกระทั่งเข้าถึงอรูปฌานอรูปฌานมีสี่ชั้นนะรูปฌานมีสี่ชั้นเจ้าชายสิทธัตถาทําได้หมดในเวลาสั้นแล้วท่านก็พบว่านี่ไม่ใช่ทาง เจ้าชายสิทธาัารู้มาตั้งแต่สมัยโน้นแล้วว่าการเพ่งจิตให้สงบนิ่งอยู่เฉยๆไม่ใช่ทางแต่พวกเราคนรุ่นหลังชาวพุทธที่เป็นป้ายว่าเป็นชาวพุทธรุ่นหลังนี่แหละชอบทำสมาธิชนิดที่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่ทางนะไม่ใช่ทางคือไปจิตสมาธิที่ใจมันเป็นนิ่งสงบแช่นิ่งๆอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วเงียบๆอยู่อย่างนั้นนะขี้เกียจขี้คล้าน ถ้าอยู่ตรงนั้นนานๆแล้วพอหลุดออกมานะอารมณ์จะร้ายกว่าคนธรรมดาอารมณ์จะหงุดหงิดง่ายขี้มโมโหนะไม่ใช่เรื่องดีนี่จ้าชายสิทธาถเนี่ยพอไปเรียนกรลือศีนั่งสมาธิจนจิตสงบแล้วก็พบว่าไม่ใช่ทางให้ก็ออกมาฝึกในการทรมานร่างกายใหม่ฝึกทางจิตไม่สำเร็จแล้วมาฝึกทางกายเช่นเลือกอาหาร กินแต่ถั่วเขียวกินแต่งาอะไรเงี้ยบางทีถึงจุดหนึ่งไม่กินอะไรเลยหวังว่าจะบรรลุฝึกด้วยการทรมานทางร่างกายเริ่มต้นฝึกทางจิตใจก่อนแล้วไม่สําเร็จก็มาฝึกทางร่างกายก็ไม่สําเร็จอีกสุดท้ายท่านก็นึกถึงสมาธิที่ท่านเคยได้ตอนเด็กๆสมัยท่านเด็กๆ เ, เนี่ยในงานแลกนาขวัญ พระเจ้าสุดโทธนาไปไถนาพระเจ้าแผ่นดินไถเองสมัยก่อนพระเจ้าชรีสทธาพี่เลี้ยงก็อุ้มไปใบไต้ต้นไม้แล้วพี่เลี้ยงก็ไปดูพระเจ้าแผ่นดินไถนากันท่านอยู่คนเดียวความคุ้นเคยกับการปฏิบัติเนี่ยกระตุ้นเตือนท่านให้ลุกขึ้นมาท่านมาทำอนาปนสติหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัว ท่านทำสมาธิชนิดที่มีความรู้สึกตัวไม่ใช่ทำสมาธิที่เคลิบเคลิ้มลืมตัวสมาธินี้ไม่เหมือนกันวิธีทำอนาปนาสติให้ได้สมาธิที่รู้สึกตัวทำยังไงเราจะใช้ลมหายใจเนเป็นแบ็กกราวตัวสําคัญที่เราให้ความสําคัญคือจิตความต่างมันอยู่ตรงนี้ส่วนสมาธิที่สงบนั้น ตัวที่สำคัญนะคืออารมณ์คือสิ่งที่จิตไปรู้อย่างพุโทโธลมหายใจหรือไปดูไฟให้ความสำคัญกับอารมณ์กรรมฐานในขณะที่กรรมฐานของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ความสำคัญกับจิตนะฉั้ น, นเวลาท่านหายใจเนี่ยท่านหายใจแล้วไม่ใช่เพื่อให้จิตไปสงบที่ลมหายใจแต่หายใจไปแล้วรู้ทันจิตที่มันลืมลมหายใจเวลาหายใจไปนะบางทีจิตหนีไปคิดเรื่องอื่น มีสติรู้ทันหายใจไปจิตไหลลงไปอยู่ที่ลมหายใจมีสติรู้ทันเวลาทำกรรมฐานเนี่ยเอาจิตเป็นหลักนะจิตเป็นใหญ่จิตเป็นหัวหน้าจิตเป็นประธานของธรรมะทั้งหลายหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าได้จิตคือได้ธรรมเสียจิตคือเสียธรรมไปเพราะฉะนั้นที่เราพุทโธพุทโธกันนะก็เพื่อจะรู้เท่าทันจิตอย่างเราพุทโธไปเนี่ยจิตหนีไปเรารู้จิตหนีไปเรารู้เรื่อย นะพอจิตหนีไปรู้รู้เนี่ยสมาธิที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเพราะจิตที่ไหลไปไม่ว่าจะไหลไปอยู่ที่พุทโธหรือไหลไปอยู่กับลมหายใจหรือไหลไปคิดเรื่องอื่นนะมันก็คือจิตซึ่งฟุง้งซ่านมันไหลไปหาอารมณ์งั้นเราทากรรมฐานเนี่ยแล้วเรามีสติรู้ทันจิตที่ฟุง้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านเป็นจิตที่มีกิเลส ช, ชื่ออุทธัจจะ ลักษณะของกิเลสเนี่ยนะมันจะมีคุณสมบัติก็คือมันจะไม่เกิดร่วมกับสติเมื่อไหรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไหรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติเพราะงั้นเราทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วเราคอยรู้ทันจิตแต่อย่าจ้องนะอย่าจ้องอยู่ที่จิตห้ามจิตเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยไอ้นี่ตึงเกินไปใช้ไม่ได้นะเรารู้ไปสบายสบายหายใจไปรู้ทันจิตไปหรือพุโทโธไปรู้ทันจิตไปจิตนี้ไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันนะจิต ไหลไปอยู่ที่ลมหายใจถลําลงไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันรู้ทันจิตไปเรื่อยๆทันทีที่มีสติรู้ทันจิตนะจิตที่ฟุ้งซ่านนะจะดับอัตโนมัติเพราะสติกับกิเลสไม่มีทางที่จะเกิดพร้อมๆกันเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสตินี่เป็นกฎของธรรมะงั้นเราพยายามมาฝึกหายใจ เ, เพื่อให้เกิดสติ หายใจเข้าหายใจออกนะแล้วจิตหนีไปรู้ทันจิตไลหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันถ้าฝึกอย่างนี้ได้ไม่นานจิตเราจะอยู่ที่ตัวเองจิตตั้งมั่นอยู่รู้เนื้อรู้ตัวได้นะคราวนึงหลวงพ่อไปเจอคุณแม่จันดีน้องสาวหลวงตามหาบัวนะคุณแม่จันดีท่านเป็นนักภาวนารุ่นก่อนหลวงพ่อมากนะท่านอายุเยอะกว่า เป็นลูกสิษย์หลวงตาเป็นน้องหลวงตานะนะคุณแม่จันดีถามหลวงพ่อว่าท่านอาจารย์ภาวนาอย่างไงจิตมาหลงที่เดียวกับท่านจิตเหมือนกันว่างี้หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อใช้อนาปานาสติหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวไปเรืยจนลมหายใจมันระ ง, งับมันกลายเป็นแสงสว่าง ม, มันมาหยุดอยู่ตรงจมูกเนี่ยนะกลายเป็นแสงพอเป็นแสงแล้วเนี่ย ถ้าเราไหลไปอยู่ที่แสงจิตไหลไปอยู่ที่แสงเราจะได้สมาธิแบบพวกฤาษีนะแต่หลวงพ่อไม่ได้เอาจิตไปอยู่ที่แสงแต่หลวงพ่อจะใช้วิธีจิตมันไปรู้แสงจิตเป็นผู้รู้แสงเป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วพอจิตมันเคลื่อนไปหาแสงเรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปที่แสงจิตเคลื่อนไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปที่อื่นเรียกว่าเรารู้ แสงสว่างนี้อยู่นะแต่ว่าตัวหลักที่เรารู้คือจิตจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้คุณแม่จันดีบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็อันเดียวกันแต่ท่านไม่ได้ใช้ลมหายใจท่านใช้พุทโธ ท, ท่านกําหนดพุทโธอยู่ตรงนี้เหมือนกันเลยนะพุทโธพุทโธเนี่ยแล้วพอจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นลืมพุทโธ ท, ท่านมีสติรู้ทันว่าจิตหนีไปละหรือจิตไปเพ่งใส่พุทโธ ท, ท่านมีสติรู้ทันและจิตถลำลงไปอยู่ที่พุทโธละสังเกตดูเถอะนะ คุณแม่จันดีหรือที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเนี่ยท่านรู้จิตเป็นหลักท่านไม่ได้ไปรู้พุโทโธเป็นหลักหรืออย่างหลวงพ่อก็รู้จิตเป็นหลักไม่ได้รู้ลมหายใจเป็นหลักนั้นจิตสําคัญที่สุดนะได้จิตจะได้ธรรมะไม่ได้จิตคือไม่ได้ธรรมะงั้นก่อนที่เราจะไปถึงขั้นการเจริญปัญญาเนี่ยต้องฝึกจิตให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวให้จิตใจมันกลับมาอยู่กับตัวเองไม่หลงไว้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ไม่หลงไปแล้วก็ไม่บังคับว่าจะต้องห้ามหลงนะเราจะรู้ตัวไปสบายๆจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาอย่างสบายๆโดยเราไม่เจตนาจิตจะตั้งมั่นอย่างสบายโดยเราไม่เจตนาได้ในโดยการทากรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราคุ้นเคยแต่เอากรรมฐานนั้นเป็นแบนะ็คกราวนเอาจิตเป็นพระเอกเป็นนางเอกเราจะคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองแต่ไม่บังคับจิตให้สงบไม่บังคับจิตให้นิ่ง จิตสงบก็ช่างมันจิตไม่สงบก็ช่างมันจิตเป็นยังไงให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นเท่านั้นพอแล้วนะถ้าฝึกอย่างนี้ได้เนี่ยในสุดเราจะได้จิตมานะส่วนอารมณ์กรรมฐานมันเป็นฉากหลังนะธรรมดาของจิตเนี่ยจิตไม่มีตัวตนจิตไม่มีรูปร่างเพราะงั้นการที่จะสังเกตตัวจิตตรงๆเนี่ยไม่สามารถทำได้เพราะมันไม่มีอะไรให้ดูเลยนะมันเป็นความว่างเปล่าไม่มีอะไรให้ดู มื้อเรามีกรรมฐานขึ้นมาสักอันหนึ่งเป็นฉากหลังเพราะจิตมันเคลื่อนไปจากฉากหลังเนี่ยเราจะเห็นอย่างนิ้วหลวงพ่อนี่นี่อันนี้เป็นฉากหลังนี่นิ้วนี้เคลื่อนผ่านฉากหลังเนี่ยเราจะรู้ว่าอันนี้เคลื่อนไหวจิตนี่เหมือนกันถ้าเรามีพุโทโธหรือ ม, มีลมหายใจอยู่เงี้ยพอมันเคลื่อนไปจากพุโทโธเคลื่อนไปจากลมหายใจเราจะเห็นได้ง่ายเราจะเห็นได้ชัดงั้นการที่เรามีอารมณ์กรรมฐานเนี่ยเพื่ออะไร เพื่อจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของจิตใจได้ชัดเจนไม่ใช่เพื่อห้ามจิตเคลื่อนไหวนะถ้ามีอารมณ์กรรมฐานแล้วก็บังคับจิตไปแนบนิ่งอยู่อย่างเนี้อันนั้นเป็นสมาธิที่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าฤาษีชีพไรก็ทําแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่ทางเงินเจ้าชายสีทัตานนะท่านก็นึกถึงสมาธิที่ท่านเคยฝึกมาบุญบา ร, รมีท่านเยอะท่านถานพระพุทธเจ้ามาเป็นจํานวนมากแล้ว เคยได้ยินได้ฟังธรรมะมานะท่านนึกถึงสมาธิที่ท่านเคยฝึกได้ไม่ใช่สมาธิที่ไปเรียนจากฤาษีเป็นสมาธิที่ท่านหายใจไปนะจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ท่านได้สมาธิขึ้นมานะมันได้ถึงชานที่แปดเหมือนกันนะแต่ความต่างก็คือจิตมันไม่เคลื่อนไปแนบที่อารมณ์จิตมันเป็นตัวของตัวเองอยู่อย่างเวลาถ้าเราทำกรรมฐานอย่างที่หลวงพ่อบอกนะกระทั่งเราเข้าอารูปฌานนะ โลกธาตุนี้หายไปร่างกายของเราหายไปนจิตยังไม่ไปไหนเลยจิตยังรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ไม่ไม่ดับหายไปเฉยๆถ้าหายไปเฉยๆเนี่ยใช้ไม่ได้เป็นลมลูกฝักละจิตหายไปนี่พอเราฝึกอันนี้ต้องฝึกนะถ้าเราไม่ฝึกเนะี่ยโอกาสที่เราจะได้มรรคผลในชีวิตนี้ยังอีกห่างไกลนะักเพราะจิตเราฟุ้งซ่านจิตไม่อยู่ที่ตัวเองเราจะไม่สามารถเจริญปัญญาได้ ครนี้การเจริญปัญญาคืออะไรการเจริญปัญญาคือการเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจเรียนรู้เพื่ออะไรนะพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะความเกิดไม่มีอีกแล้วงานที่ต้องภาวนาอะไรนี้ไม่มีอีกแล้วจะรู้ด้วยตัวเองงั้นถ้าเราสามารถ เห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้นะในที่สุดเราจะเบื่อนายแล้วคลายความยึดถือกายยึดถือใจได้ความทุกข์ทั้งหลายในโลกเนี้ยลองไปดูเถอะไปรวบรวมดูไปประมวลดูมันไม่มีอะไรเกินกว่าทุกข์กายกับทุกข์ใจหรอกที่มันทุกข์กายเพราะอะไรมันทุกข์เพราะว่ามันรักกายมันหวงกายทําไมมันรักกายมันหวงกายเพราะมันเป็นกายของกูอนะมันเป็นกายของกูเป็นตัวกูเป็นของกู แต่การทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราจะเอาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยไปดูตามรู้ตามดูความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเราจะพบว่าร่างกายเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายไม่ได้มีความสุขในร่างกายเราเราลองรู้สึกอยู่สิเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็คันเดียเด๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะเดี๋ยวปวดอือเดี๋ยวปวดฉี่นะสารพัด นานๆานก็ปวดเจ็บป่วยมากๆทีหนึ่งนะถ้าพอร่างกายสุดโทรมแก่เท่าแล้วก็เจ็บป่วยมากๆบ่อยๆใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในโรงพยาบาลไปแล้วนะเนี่ยร่างกายจริงๆนะเต็มไปด้วยความทุกข์แต่พวกเราเนี่ยประมาทเราชี้ฟ้าร่างกายเราแข็งแรงร่างกายเราไม่ทุกข์นานๆทุกทีหนึ่งนานๆทุกทีหนึ่งจริงหรือไม่เราจะทดสอบดูด้วยตัวเองลองหายใจเข้าสิ หายใจเข้าให้ยาวที่สุดเลยยาวที่สุดที่จะทำได้ทุกหรือสุขอย่าหายใจออกนะ <c oughs> หายใจเข้าก็ทุกใช่ไหมเราก็หายใจออกเพื่อแก้ทุกของการหายใจเข้าพอหายใจออกมากๆลองหายใจออกสิหายใจออกไปเรื่อยๆทุกหรือสุขดูด้วยตัวเองตอบได้ยัง เห็นหรือยังว่าหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์เคยเห็นไหมหายใจมาตั้งแต่เกิดไม่เห็นนะหายใจแล้วมัวแต่เพลินเพลินไปหลงไปอยู่ที่อื่นจิตใจเนยไปอยู่ที่อื่นลองมีสติรู้สึกอยู่ในร่างกายสิเราจะพบว่ามันทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยตอนเริ่มหายใจก็ทุกข์น้อยแล้วดีกรีของความทุ ก, กข์ก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนทนไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยน มาหายใจออกหายใจออกทีแรกก็ทุกน้อยนะเราพอทุกมากขึ้นมาขึ้นก็เปลี่ยนมาหายใจเข้าเวลาเรายืนเดินนั่งนอนทําไมเราต้องยืนเดินนั่งนอนนั่งตลอดได้ไหมนั่งตลอดเราทุกนอนตลอดแล้วทุกไหมนอนตลอดก็ทุกกลางคืนนอนพลิกซ้ายพลิกขวาไหมทำไมต้องพลิกเพราะมันทุกทำไมต้องเปลี่ยนอิริยาบทเพราะมันทุก ในในขั้นของการเจริญปัญญานะเริ่มจากอานาปานสติการรู้ลมหายใจแล้วจะเห็นว่าหายใจออกก็ทุกหายใจเข้าก็ทุกบับต่อมาอิทิยาบทสี่เราก็จะเห็นว่ายืนก็ทุกเดินก็ทุกนั่งก็ทุกนอนก็ทุกนะต่อมาเป็นสัมปชัญญะบับพระเคลื่อนไหวก็ทุกหยุดนิ่งก็ทุกลองไม่เคลื่อนไหวเลยหยุดนิ่งอยู่เฉยเยเลยทุกไม่ทุกไม่ไม่นานเท่าที่เราคิดหรอกอย่าหายใจนะ แว บ, บเดียวมันก็เห็นล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วความทุกข์เนี่ยแสดงความจริงอยู่ในร่างกายตลอดเวลาเราต่างหากที่ละเลยที่จะเรียนรู้เรามักจะหลงผิดไปว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นของดีของวิเศษเราไม่เคยเห็นว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์นะแต่ถ้าเรามีสติเรียนรู้ไปเรื่อยร่างกายนี้จะสอนให้เราเห็นว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์ มีแต่ทุกมากกับทุกน้อยนะไม่มีตัวสุขหรอกถ้ามีตัวสุขมันต้องอยู่สบายอกสบายใจอยู่ได้นานๆนี่อยู่ไม่ได้แฟบเดียวก็ต้องเปลี่ยนการหายใจแฟ๊บเดียวก็ต้องเปลี่ยนอริยาบทป๊บเดียวก็ต้องเคลื่อนไหวป๊บเดียวก็ต้องหยุดนิ่งน่อย่างนี้เรียกว่าเราเจริญปัญญานะเราได้เห็นความจริงในร่างกายว่าร่างกายนี้ทุกจริงๆถ้าเห็นอย่างนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเวลาแก่ใครแก่ เวลาแก่ไม่ใช่เราแก่นะไม่ใช่ร่างกายที่แสนดีของเราแก่ตัวทุกข์มันแก่เวลาเจ็บตัวทุกข์มันเจ็บเวลาตายตัวทุกข์มันตายถ้าตัวทุกข์มันตายจะเสียใจไหมตอนนี้เราตัวดีของเราจะตายเนี่ยเราถึงเสียใจใช่ไหมถ้าตัวทุกข์จะตายนะจะร่าเริงพระอราหันต์ทั้งหลายในวันที่จะปรินิพพานทุกอง จะเป็นเวลาแห่งความร่าเริงนะพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบบอกว่าพระลหันทั้งหลายเนี่ยเหมือนคนซึ่งรับจ้างทำงานที่ยากลาบากมากๆแต่ทำงานนั้นสำเร็จแล้วกำลังรอรับรางวัลนะกำลังรอรับรางวัลรางวัล น, นั้นก็คืออนุปาทิเศ ส, สนิพานนิพานที่ทำลายขันลงไปไม่มีขันให้เป็นภาระที่ต้องแบกหามต่อไป งั้นจิตใจของท่านจะร่าเริงนะจิตใจจะไม่เศร้าหมองงั้นเวลาที่พระอรหันต์จะนิพพานเนี่ยวันนั้นท่านจะผ่องใสเป็นพิเศษเลยท่านจะผ่องใสมากๆอยู่สองวันวันที่บรรลุพระอรหันต์นะกับวันที่จะตายธาตุการจะแตกเพราะว่าท่านมีปัญญาแก่รอบแนละ้วท่านรู้ว่าตัวทุกข์มันกาลังจะดับตัวทุกข์จะดับไม่ใช่ตัวดีจะดับแล้วนะ มันตัวทุกข์จะดับไม่ใช่เรื่องน่าเสียใจเนี่ยถ้าเรามีสติเห็นกายตามความเป็นจริงเราก็จะเบื่อหน่ายโอ้มีแต่ภาระมีแต่ความทุกข์ในร่างกายเต็ไมไปด้วยภาระรู้สึกไหมตั้งแต่หัวถึงเท้าลองไปสำรวจดูแค่ผมเราเนี่ยภาระทั้งเท่าไหร่ละต้องตัดผ ม, หมัหยบางคนต้องดัดผมอีกต้องย้อมผมอีกนะมีบางคนไ่ย้อมผมแล้วแพ้ยาย้อมผมอีกนะมีปัญหาเยอะเลยหัวล้านหนึ่งเลยย้อมผม ต้องสาผมต้องหวีผมมีไหมต้องทำไหมสารพัดเลยใช่ไหมสาระต้องดายต้องอย่างนอนต้องอย่างนี้พอผมมันงอกนะก็ต้องไปย้อมพอผมมันร่วงมากๆต้องไปใส่ผมเทียมนะใส่วิกใส่อะไรตั้งแต่ผมที่เดียวนี้นะมีผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นกี่ชนิดต้องไปดู งัตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยเต็มไปด้วยภาระเพราะฉะนั้นร่างกายไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของมิเศษร่างกายคือภาระคือทุกนะเนี่ยเรามีสติรู้ลงไป ร, รู้รู้สึกร่างกายได้่อยเร่อยอย่ามัวแต่ใจลอยหนีไปคิดเรื่องอื่นนะคิดเรื่องโน้นคิดเรื่อง น, อ น, องนี้คิดจะไปเที่ยวคิดจะไปดูหนังคิดจะไปจีบนมจีบสาวอะไรเนงะี้ยมัวแต่คิดออกไปข้างนอกหมนไม่เคยย้อนมาดูกายดูใจ ถ้าย้อนมาดูกกายเรื่อยๆจะเห็นกายนี้มีแต่ทุกข์ไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของพิเศษแล้วก็กายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกกายนี้เป็นวัตถุที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวอย่างเรายืมโลกมาใช้ยืมยังไงอย่งเราหายใจเข้าใช่ไหมอากาศมันของโลกนะเราหายใจเข้าไปแล้วเราก็หายใจออกเนี่ยเรายืมวัตถุธาตุอของโลกมาใช้เรากินอาหารเข้าไปอาหารมันก็อยู่ในโลกใช่ไหมเป็นวัตถ Us ุธาตุของโลก กินแล้วเราก็ขับถ่ายออกไปคืนให้โลกนะมีแต่ธาตุไหลเข้ามีแต่ธาตุไหลออกร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราที่แท้จริงเรายืมโลกมาใช้ถึงจุดหนึ่งก็ต้องคืนเจ้าของเนะนี่ยพอเห็นอย่างนี้นะเวลาเจ้าของมาทวงคืนเจ็บหนักขึ้นมาเนี่ยเจ้าของส่งสัญญาณเตือนแล้วว่าจะเรียกคืนแล้วเราจะไม่หวั่นไหววของยืมเข้ามาใช้เจ้าของจะเอาคืนให้คืนเข้าไป จิตใจไม่หวั่นไหวเพราะนั้นถ้าเรามีสติเรียนรู้ความจริงของร่างกายเรื่อยๆเนี่ยจะแก่จะเจ็บจะตายจะไม่หวัน่นไหวจิตใจจะร่าเริงเบิกบานแก่ก็ยังมีความสุขเจ็บก็มีความสุขนะตายก็มีความสุขนะต้องฝึกนี่ในด้านจิตใจละ่นะเราดูกายกันแล้วเรามาดูใจบ้างแต่ที่หลวงพ่อพูดอย่างนี้ไม่ใช่หมายความว่าทุกคนต้องเริ่มจากการดูกายนะ หลวงปู่มั่นสอนบอกว่าดูจิตได้ให้ดูจิตจิตเป็นเบอร์หนึ่งเพราะอะไรเพราะกุศลเกิดที่จิตอกุศลเกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ค่อยดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำสมถะสมถะอย่างที่หลวงพ่อสอนตะเคี้ยใช้จิตเป็นตัวหลักแล้วค่อยรู้ทันจิตทำกรรมฐานแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแล้วสมาธิจะเกิดงั้นถ้าดูจิตได้ดูจิต ไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเริ่มจากการดูกายไม่จำเป็นแล้วแต่ความถนัดถ้าคนสมัยก่อนนะมองอาการดูกายชีวิตไม่รีบร้อนนะชีวิตไม่รีบร้อนปีหนึ่งทำนาครั้งเดียวเสร็จแล้วก็ว่างแนละ้วมีเวลานั่งสมาธิเยอะนั่งสมาธิมากๆากจิตมันเงียบไม่เคลื่อนไหวดูจิตจะไม่ได้อะไรขึ้นมาจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงมันจะมีแต่ความสงบความนิ่งความสุขดูมากๆเข้าจะรู้สึกจิตนี้เที่ยง จิตนี้เป็นสุขจิตนี้เป็นอัตตานะเหมือนที่พวกฤษีชีไพ ร, รู้สึกจิตเป็นอัตตานะเรามาค่อยๆฝึกนะสังเกตจิตใจของเราสังเกตความเปลี่ยนแปลงพราะจิตใจอยู่กันแล้วก็ตัวแล้วดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปนี่คือวิธีที่จะเจริญปัญญาด้วยการดูจิตเมื่อกี้พูดทีแรกนะ่วิธีเจริญปัญญาด้วยการดูกายนะ บทแรกช่วงแรกที่หลวงพ่อพูดเลยคือวิธีให้เกิดสมาธิชนิดที่จิตใจอยู่กับตัววิธีให้เกิดสมาธิที่จิตใ จ, ใจอยู่กับตัวก็คือทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นแบ็กกราวด์จะได้สังเกตเวลาจิตมันหนีไปที่อื่นเราจะได้รู้พอจิตหนีเรารู้หนี่เรารู้เราจะได้สมาธิชนิดจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูพอจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเราเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดู เห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งจิตเป็นคนดูเราก็จะเกิดปัญญาเห็นวนะ่าร่างกายนี้มีแต่ความทุกร่างกายไม่ใช่ตัวเราเนะี่ยถ้าจะดูจิตทํำยังไงมีจิตเป็นคนดูเหมือนกันแต่อย่าไปเพ่งจิตให้นิ่งเราต้องการเห็นความจริงของจิตใจจิตใจนั้นในความเป็นจริงก็คือมันวิ่งพล่านทั้งวันเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยววิ่งไปดมกลิน่นเดี๋ยววิ่งไปลิ้มรส เดี๋ยววิ่งไปรู้สัมผัสทางกายเดี๋ยววิ่งไปคิดนึกทางใจเนี่ยจิตใจนะวิ่งพลานไปทางทวารทั้งหกหช่องทางที่จิตจะวิ่งออกไปวิ่งทั้งวันวิ่งทั้งคืนทั้งตื่นทั้งหลับมีแต่วิ่งหนีตลอดนะเราเราเคยได้ได้ฝึกแล้วว่าจิตหนีไปเรารู้จิตหนีไปเรารู้เนี่ยนะเราก็จะต่อยอดจากตรงนี้เลยในการที่จะดูจิตใจตัวเองนะที่จริงแล้วการดูจิตมันดูได้สองอย่างนะ อันหนึ่งเนี่ยดูความรู้สึกที่เกิดร่วมกับจิตอีกอันหนึ่งดูพฤติกรรมของจิตดูดูความรู้สึกที่เกิดร่วมกับจิตก็คือจิตเดี๋ยวก็สุขจิตเดี๋ยวก็ทุกข์จิตเดี๋ยวก็ดีจิตเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงจิตไม่เคยคงที่นะทําไมเราต้องไปดูผ่านสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเพราะจิตไม่มีตัวตนให้ดูอยู่ๆเราไปดูจิตเราจะไม่เห็นอะไรเลย เพราะฉะนเราจะดูจิตได้นะว่าจิตมีอยู่จิตเกิดดับเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยโดยผ่านสิ่งซึ่งเกิดร่วมกับจิตเรียกว่าเจตสิกเป็นอารมณ์ที่เกิดร่วมกับจิตอย่างความรู้สึกสุขเกิดขึ้นเนี่ยจิตดวงนั้นคนทั่วไปจะรู้สึกว่าจิตใจเรามีความสุขแต่นักปฏิบัติจะเห็นว่ามีความสุขเกิดขึ้นจิตใจเป็นคนเห็นจิตใจเป็นคนรู้ความสุขกับจิตใจเป็นคนล่าน จิตใจคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ความสุขเป็นของถูกหรูนะแต่แล้วแต่ฝีมือนะหัดใหม่ๆก็รู้สึกว่าจิตเราสุขจิตเราทุกจิตเราโลภจิตเราโกรธจิตเราหลงต่อไปพอฝึกดูบ่อยๆจิตมันแยกออกมาเป็นคนดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นนีความสุขก็อันหนึง่งจิตที่เป็นคนรู้ความสุขก็อันหนึง่งความทุกข์ก็อันหนึง่งจิตที่เป็นคนรู้ความทุกข์ก็อันหนึง่งโลภโกรธหลงก็เป็นแต่ละอย่างแต่ละอย่าง จิต ท, ที่รู้รอภโกรธหลองก็เป็นโคลาอนกันจิต ท, ที่เป็นกุศลกับกับกุศลที่เกิดขึ้นโคลานกันระหว่างจิตกับเจตสิกโคลาอันกันเจตสิกคือสภาวะที่เกิดร่วมกับจิตทําให้จิตเนั้นผันแปรไปจากการเป็นตัวรู้เฉยๆแลกลายเป็นตัวรู้ที่มีความสุขมีความทุกข์มีความดีมีความชั่วขึ้นมาอันนี้เกิดจากสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิต เราจะดูจิตเกิดดับได้เราก็จะดูผ่านสภาวะพวกนี้อย่างเลาจิตใจเรามีความสุขเนีย่ยเราก็รู้ไปเรื่อยๆนะสักพักเดียวจิตที่มีความสุขจะดับให้ดูถ้าจิตใจมีความทุกเรารู้ไปน้จะดับอย่างรวดเร็วเลยนะถ้าเราดูเป็นนะเพราะจิตที่มีความทุกเนี่ยเป็นจิตอกุศลทันทีที่สติเกิดอกุศลไม่มนะีเพราะงั้นความทุกข์ทางใจเนี่ยจะดับทันทีถ้าเรามีสติที่แท้จริง แต่ถ้าสติเราไม่มีสติที่แท้จริงไปนั่งดูดูไปก็เกลียดมันนะเวลาความทุกข์เกิดเมื่อไหร่จะหายเมื่อไหร่จะหายนะอย่างนี้จิตมีโทสะซ้อนโทสะไม่ได้มีสติมันไม่หายหรอกแต่ถ้าจิตเราเป็นคนดูอย่างแท้จริงเห็นความโกรธเกิดขึ้นดับวับต่อหน้าต่อ ต, อตาเลยไม่อยู่ช้าหรอกนี่เราค่อยๆสังเกตไปสภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในใจเราทุกคนรู้จัก รู้จักความสุขไหมรู้จักความทุกข์ไหมรู้จักโลภไหมโกรธหลงฟุ้งซ่านหดหูเสงเบือ่อหี่รู้จักไหมหื่นรู้จักไหมแต่ละคนรู้จักทุกสภาวะนะสภาวะทั้งหลายอิจฉาเป็นไหมอิจฉาเนี่ยสภาวะทั้งหมดเลยนะต่อไปนี้เวลาสภาวะเกิดขึ้นให้เรามีสติรู้ เราเห็นราสภาวะเนี่ยเหมือนแขกแปลกหน้าเดินผ่านหน้าบ้านเรานั่งเรานอ น, อนสบายใจเห็นคนเดินผ่านหน้าบ้านเห็นหมาขี่เรือนผ่านหน้าบ้านเห็นรถขยะผ่านเห็นสาวสวยเดินผ่านเนี่ยของที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างสิ่งที่นำความสุขมาให้บ้างความทุกข์มาให้บ้างมันผ่านเข้ามาสู่ใจเราเราก็คอยรู้ไปแล้วเราก็จะได้เห็นความจริงจิตที่มีความสุขเกิดแล้วก็ดับ จิตที่มีความทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตที่ไม่สุขไม่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับะจิตที่โลภจิตที่โกรธจิตที่หลงเกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับยกตัวอย่างจิตที่เป็นกุศลอย่างพวกเราอยากมาฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยจิตเป็นกุศลนะมีฉันทามีความขนไหวยจะฟังธรรมะอันนี้ถือว่าเป็นกุศลนะไม่ใช่ตัณหานะตัณหานี่จะทางลบนะถ้าทางบวกเนี่ยเป็นฉันทะเป็นสิ่งที่ ใจเราพอใจที่จะทำอุสาตลีตรตลานตื่นมาแต่เช้าน้ำท่าไม่อาบนะรีบมาในห้องนี้นะนั่งฟังหลวงพ่อเทสฟังไปฟังไปพระวันนี้พูดอะไรวะฟังยากนะชักหงุดหงิดลวแทนที่จะคิดว่ากูทำไมโง่นักวะฟังไม่รู้เรื่องนั้นมันดันมาบอกว่าพระอะไรวะเทศฟังยากจังนะนี่เทศง่ายที่สุดแล้วนะ หาของง่ายนะความจริงมันต้องเรียนรู้นะไม่ว่าเราจะกว่าจะได้ปริญญาสักใบเรียนมาตั้งกี่ปีปริญญาใบหนึ่งเรียนกี่ปีสี่ปีมึเงเหงินะปอหนึ่งไม่เรียนเหรอ <c oughs> <c oughs> เรียนมาตั้งแต่ปอหนึ่งใช่ไหมกว่าจะได้ปริญญาอยากได้มากได้ผลแหมดูสองสามวันจะเอาแล้วมันวูบเว่อร์ไปหน่อยนะ เพราะนั้นตั้งออกตั้งใจพยายามเรียนไปสังเกตลงไปด้วยเลยจิตใจมีความสุขก็รู้ความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตใจมีความทุกข์ก็รู้ความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปกุศลนี่ก็อยู่ชั่วคราวเนี่ยอย่างอยากฟังเทศใจเป็นกุศลแนละ้ฟังไปนานๆนนเบือ่อนะเบื่อไปนานกุศลนะเป็นตะกุลโทสะหรือใจเร่าร้อนเม่อไรจะจบสติจะได้หนีไปเที่ยวนะลาเมียมาวันเนี้ย เอกจะมาฟังหลวงพ่อปราโมทเทศความจริงนัดสาวอื่นไว้หนะลอลุ้นว่าเมื่อไหร่หลวงพ่อจะจบสักทีจะหนีไปตอนนี้ก็ไม่ดีเดี๋ยวเมียถามว่าหลวงพ่อเทศเรื่องอะไรแล้วตอบไม่ตรงนะมีปัญหากับชีวิตมากเลยเพราะฉะนั้นกุศลก็ไม่เที่ยงอกุศลก็ไม่เที่ยงบางทีเราคิดจะใส่บาตรตอนเช้าจิตเป็นกุศลนะแต่ว่าเช้านี้มันเย็น น, ะนอนอีกหน่อยดีกว่านะ พระท่านคงไม่หิวหรอกยังไม่ใช่วันพระไม่ใช่วันเกิดของเราพระไม่ได้ฉันข้าวเฉพาะวันพระนะควรจะรู้นะ <c oughs> นี่ประทวงแตนพระแล้วนะชอบใส่บาตรวันพร ะ, นะวันอื่นไม่ค่อยใสอย่างเงี้ยนั้นอยากใส่บาตรเป็นกุศลนะขี้เกียจก็ไม่เอาละไม่ใส่ละอันนี้กุศลก็พลิกเป็นอน ก, กุศลกุศลก็ไม่เที่ยงนะ อาครสนก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแหละใครเคยอกหักไหมยกมือหน่อยกล้าหาญหน่อยใครเคยอกหักยกมือทุกไหมเวลาอกหักทุกเยอะไหมตอนนั้นรู้สึกไหมโลกนี้คงไม่มีสีชมพูแบบจุราอีกต่อไปแล้วโลกนี้คงจะมีแต่ความมืดมนเพราะผ่านวันผ่านเวลามาหายเศร้าแล้วรู้สึกไหมบางทีดีใจ บุญของกูแท้ๆเลยไม่เอาอีนางคนนี้นะเนี่ยถ้าจีบมานะตอนนี้เราไปเห็นมันมาอีกทีหนึ่งมันแก่งักเลยนะเนี่ยรู้สึกเป็นบุญมะนะเนี่ยจิตที่เป็นกุศลนะก็ไม่เที่ยงจิตที่เป็นอกุศลก็ไม่เที่ยงจิตที่สุขจิตที่ทุกข์ล้วนแต่ไม่เที่ยงทั้งนั้นหัดรู้หัดดูไปอย่างเนี้ยนะจิตที่ดีหรือจิตที่ชั่วก็เหมือนกันจิตที่สุขที่ทุกข์ก็เหมือนกันหัดดูความรู้สึกทุกอย่างนะผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไป หรือจะดูจิตผ่านอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ได้ดูพฤติกรรมจิตวิ่งไปดูรูปจิตวิ่งไปฟังเสียงจิตวิ่งไปดมกลิ่นจิตวิ่งไปรู้รสจิตวิ่งไปรู้สัมผัสทางร่างกายจิตวิ่งไปคิดนึกทางใจจิตให้ทำงานสลับช่องอยู่ตลอดเวลามีสติรู้ทันจิตหลงไปดูแล้วก็รู้จิตหลงไปฟังแล้วก็รู้จิตหลงไปคิดแล้วก็รู้ใครรู้ไปได้ด้ ต่อไปก็จะเห็นว่าจิตดูเกิดแล้วก็ดับจิตฟังเกิดแล้วก็ดับจิตคิดเกิดแล้วก็ดับจิตมีได้เกิดแล้วดับเช่นเดียวกับจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกเกิดแล้วดับจิตดีจิตชั่วเกิดแล้วดับเหมือนกันแล้วจะดูที่ความรู้สึกก็ได้ดูที่พฤติกรรมของจิตที่ไปรับอารมณ์ทางทวารทั้งหกก็ได้แล้วจะเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงจิตทุกชนิดไม่เที่ยงจิตสุขไม่เที่ยงจิตทุกไม่เที่ยงจิตดีจิตชั่วไม่เที่ยง จิตที่เกิดที่ตาที่หูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงไม่ใช่เรื่องยากที่จะดูแต่เราละเลยที่จะดูอย่ายงเวลาเราขับรถอยู่คนมาปาดหน้าเราคนปาดหน้าเราเรากโกรธเนี่ยเราไม่ยอมดูว่าใจกำลังกโกรธนะเราจะไปส่งจิตออกไปข้างนอกไปดูไอ้คนที่ปาดเราอย่าได้ต้องไปเอาปาดคืนมันให้ได้เลยหรื อ, อยางน้อยปาดคืนมันไม่ทันต้องไปจี้หลังมันกดแตรดามันนี่น ใจเราโม้สนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นเราไม่สนใจจิตใจของตัวเองมันอาภัพตรงนี้แหละมันถึงบรรลุมรรคผลไม่ได้นะถ้าเราคอยสังเกตจิตใ จ, ใจตัวเองไปเรื่อยๆนะเราก็จะเห็นว่าจิตทุกชนิดไม่ว่าดีหรือชั่วไม่ว่าสุขหรือทุกขจิตทุกชนิดไม่ว่าจะไปดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสรูรร้สมัมผัสทางกายหรือรู้อารมณ์ทางใจล้วนแต่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นนะ อกหักเนี่ยจิตทุกข์ใช่ไหมไมันก็อกหักได้ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หายไม่แน่นอนอกหักครั้งที่หนึ่งนานหน่อยครั้งที่สองก็เศร้าลดลงใช่ไหมเพราะมีประสบการณ์ครั้งที่ยี่สิบเฉยๆชิวๆนะไม่มีอะไรธรรมดาเนี่ยความทุกข์ก็ไม่เที่ยงอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงหัดดูไปด้วยดูแล้วจะได้อะไร ดูแลต่อไปเราจะรู้ในชีวิตเราเนี่ยเราดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์อยู่ตลอดวันตลอดคืนถ้าเมื่อไหร่เราเห็นความจริงว่าความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงเราจะไปดิ้นรนหาสวรรค์วิมานอะไรใจก็หมดความดิ้นรนใช่ไหมพอเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพรเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเห็นเฉยเยไม่ดิ้นแล้วคลายความยึดถือในที่สุดหลุดพ้นจิตไม่ยึดถือ ในร่างกายไม่ยึดถือในจิตใจว่าหมดความยึดถือแล้วนะีชาติคือความเกิดสิ้นแล้วพรหมจันท ร, ร์คือการประพฤติปฏิบัติ ท, ทำทำเสร็จแล้วจิตที่ควรทำทำเสร็จแล้วนะจิตอื่นที่จะปฏิบัติเพื่อความดับทุกเนี่ยไม่มีที่จะต้องทําอีกเพราะฉะั้นงานในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อทําถึงที่สุดแล้วมีจุดที่สิ้นสุดการทํางานไม่เหมือนงานทางโลกไม่มีวันสิ้นสุด อย่างงานทํามาหากินเนี่ยเขต้องหากินไปเรื่อยๆคนเราหากินถึงเมื่อไหร่อย่าตอบว่าหกสิบนะเพราะหกสิบก็ยังหากินอยู่ใช่ไหมอย่างน้อยก็หาข้าวใส่ปากอย่างเงี้ยนะหากินเองไม่ได้หาคนมาป้อนอย่างเงี้ยทั้งมันก็กินไปจนวันตายนะแหละกินอาหารตรงๆไม่ได้ก็กินทางสายยานหากินทั้งวันหากินตลอดชีวิตนะ นี่ค่อยรู้ค่อยดูลงไปนะไม่ใช่ของดีร่างกายนี่ไม่ใช่ของดีจิตใจที่อยากได้แต่ความสุขนะความสุขไม่เคยเที่ยงความสุขอยู่ชว่วคราวแล้วก็หายไปถ้าเมื่อไรปัญญาเราเกิดนะเราเห็นสุขเกิดดับทุกเกิดดับเรื่อยเร่อยรู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเราจะหมดความดิ้นรนสแสวงหาความสุขเราจะหมดความดิ้นรนที่จะหนีความทุกข์ใจที่หมดความดิ้นรนก็คือใจที่สิ้นปัญหา ใจมันไม่มีความอยากล้ทุกวันนี้ใจดิ้นเพราะอะไรมันอยากสุขมันอยากไม่ทุกอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกถึงได้ดิ้นสารพัดจะดิ้นดิ้นไปดูหนังฟังเพลงหาของอร่อยกินเมากับเพื่อนเล่นเฟซเล่นไลน์อะไรนีน้มุ่งที่จะหาความสุขมุ่งที่จะหนีความทุกข์ทั้งนั้นแหละถ้าเห็นว่าสุขก็ไร้สาระทุกข์ก็ไร้สาระควาดิ้นรนของใจจะไม่มี เมื่อจิตไม่ดิ้นรนนะจิตก็เป็นอิสระนะจิตเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงเนั้นคำว่านิพพานนิพพานนะคือสันติสันตินิพพานคือสันตินะความสงบแล้วก็มีความสุขที่มหาศาลเป็นสันติสุขนิพพานมีสันติสุขตัวนิพพานนั้นคือตัวสันติมันสันติได้เพราะมันสิ้นตัณหาเพราะฉะนั้นบางที คนอธิบายนิพพานด้วยสภาวะที่ว่านิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาคือวิราคะสส้นความดิ้นรนปรุงแต่งของจิตเรียกว่าวิสังขารสันติคือสงบมีบรมสุขเป็นนิพพานมีนิโรธคือดับสนิทแห่งทุกข์ดับธาตุดับขันดับทุกข์เนีําคำว่านิพพานนี่มีหลายคำ จะสะท้อนบุคลิกลักษณะของนิพพานออกมายัางเมื่อไร่ใจเราสิ้นตัณหาสิ้นความอยากเพราะมันรู้ความจริงว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์รู้ทุกข์แจมแจ้งนี่คือการทําลายอวิชชานะเรียกว่าทําลายอวิชชาลงไปรู้รอบกายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์ความอยากที่ให้กายให้ใจเป็นสุขจะไม่เกิดขึ้นเหราะนเมื่อไหร่รู้ทุกข์เมื่อนั้นละสมุทัยอัตโนมัติ เมื่อไหลลาสมูไยจิตไม่มีความอยากเมื่อนั้นจิตจะถึงพนิพานถึงนิโรธอัตโนมัติในขณะนั้นอรหัตตะมักจะเกิดขึ้นนั้นที่เราฝึกกันแทบเป็นแทบตายเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงของร่างกายจิตใจถ้าเห็นความจริงของร่างกายจิตใจแล้วทำลายอาวิชชาได้อวิชชาคือความไม่รู้ความจริงของร่างกายจิตใจนั่นแหละพอเรารู้ความจริงแล้วทาลายอวิชชาหลงแล้วความอยาก จะให้กายให้ใจเป็นสุขความอยากให้กายให้ใจพน้นทุกข์จะไม่เกิดขึ้นอีกเมื่อความอยากไม่เกิดการดิ้นรนของจิตจะไม่มีนะความยึดถือการดิ้นรนทั้งหลายจะไม่มีจิตจะเป็นอิสาะจะเข้าถึงอารมณ์สุขที่แท้จริงธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องยากเกินไปมนุษย์ธรรมดาอย่างพวกเราถ้าได้ยินได้ฟังรู้วิธีปฏิบัติแล้วปฏิบัติทํำให้สมควรแก่รมเราสามารถเข้าถึงได้ในชีวิตนี้ ไม่ต้องรอจะประคุณบุญทานนี้ที่ทําขอจงเป็นปัจจัยให้บรรลุพระนิพพานในอนา ค, คตการ น, นานไกลเทินเออไกลแน่นอนบ่โง่ชิบเป่งเลยนะเพมันอยากไกลอ่ะทำบุญทําทานมันยังไม่บรรลุหรอกต้องทาําวิปัสสนาแต่วิปัสสนาอย่างเดียวไม่พอต้องมีสมถะสมถะคือการฝึกจิตให้มันตั้งมั่นมีเรี่ยวมีแรง เพราะนงานฝึกจิตมีสองงานสมมติฐ า, าวิปัสนาแต่งานยืนพื้นต้องถือศีลไว้ก่อนห้าข้อพอแล้วนะถือศีลห้าถ้าไม่ถือศีลสมาธิจะเสื่อมสมาธิเสื่อมจิตไม่ตั้งมั่นเจริญปัญญาไม่ได้ไม่เจริญปัญญาไม่มีทางได้มรรคผลนพะเหมือนทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลทั้งสิ้ น, นเอาละสมควรแก่เวลาสี่สิบห้านาทีเป๊ะเลยไม่ขาดสวินาทีหนึ่งไม่โกงเลยนะเนี่ย ่าไปรมัสการเจ้าค่ะหลวงพออ่อส่งกันบ้านครั้งแรกเจ้าค่ะสั้นๆเจ้าค่ะก็คือที่ปฏิบัติมาเนี่ยอยู่ในร่องในรอยแล้วหรื อ, อยังแล้วก็พูดต่อหน้าสาธารณะอย่าให้มันน่าเกลียดนะบอนเต้ น, นเจ้าค่ะ บอกมันซะหน่อยทําอะไรนู้นทงนี้นี่เดีวเราพ่อต่วยกันบ้างเองแหละพี่พี่สอนไหวเอาสั مكن, ้นๆดีกวเออสั้เจ้าค่ะก็ก็นั่งสมาธิถูกแล้วดูจิตเจ้าค่ะดูจิตถูกแล้วล่ะเจ้าค่ะแล้วก็แต่หงพ่อถามเองดีกว่าเจ้าค่ะขณะนี้จิตถึงฐานแรือปล่าอ่ายังไม่ถึงเจ้าค่ะใช่จิตไปอยู่ที่ไหนจิตจิตอยู่ที่ไม่ใช่หลวงพ่อด้วยค่ะจิตมันตื่นเต้นอยู่อรู้สึกไหมมันไปกว้างกว้างอยู่เจ้าค่ะหลวงพ่อ นั่นแหละรู้ทันมันจิตไปป้างๆอยู่ถ้าจิตไปอยู่ข้างนอกน่ะเหงนกตไหมมันอยู่ข้างนอกน้อมมันเข้ามาแต่อย่าดึงมันนะลองหายใจแล้วรู้สึกอยู่ว่าตอนนี้จิตไปอยู่ข้างนอกแล้วเราหายใจเฉยๆนะไม่แก้ไขนะไม่ดัดแปลงลองทำสิอย่าดึงสิดึงมันก็แน่นอย่างนี้แหละรู้สบายสบาย พอละพอะยิ่งดึงหนักขึ้นเรื่อยๆนะมันติดเจ้าค่ะหลวงพอ่มาาอมันตื่นเต้นเจ้าค่ะพมันตื่นเต้นนะมันพยายามจะเข้าไปบังคับจิตอยากไปบังคับหนูแค่รู้ว่าตอนนี้จิตไม่เข้าฐานจิตอยู่ข้างนอกหนูรู้แค่นี้พอละเจ้าค่ะแล้วก็อย่าโลภที่จะดึงมันขืนถ้าดึงมันขืนจิตจะแน่นอื่นอึดันะาาตึงเกินไปไม่ดีเจ้าค่ะตอนนี้จิตหนีไปคิดทราบไหม เหมือนเหมือนบางๆเจ้าค่ะมันไม่ชัดออแจ้งให้หัดรู้<า>ไปจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไปว่างๆนิ่งๆอยู่ก็รู้จิตเป็นยังไงก็รู้หัดรู้อย่างนั้นนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้แต่จิตมันยังไม่เข้าฐานนะวันอื่นจิตเป็นแบบนี้ไหมบางวันถ้านั่งสมาธิมันจะไม่เป็นอย่างนี้เจ้าค่ะอันนี้ตื่นเต้นแล้วก็บางวันนี้จะออว่างๆส่งส่งไมไปแล้วนั่งสมาธิให้หลวงพ่อดู ครับผมในชีวิตประจําวันผมก็ปฏิบัติเหมือนถึงรู้สึกตัวร่างกายขยับจิตใจขยับนะครับแต่ว่าไม่ทราบว่าจิตมันล็อกหรือเปล่าในการที่จะปฏิบัติในรูปแบบหรือว่ามันมีอะไรมาทําให้เราแบบเหมือนกับประมาดนะครับไม่ค่อยได้ทําในรูปแบบเท่าที่ควรจะเป็นนะครับแต่จริงๆผมก็จะไหว้พระก่อนออกจากบ้านกับเข้าถึงบ้านนะครับ <c oughs> แต่ว่าในก่อนนอนปกติ ตื่นนอนปกติจะทำทุกทุกครั้งแต่ว่าช่วงหลังนี้เหมือนกับว่าคล้ายๆว่าเป็นความประมาทหรือที่แต่ผมว่าผมไม่ได้ขี้เกียจแต่ว่ามันประมาทแต่ไม่ได้ทําแล้วประมาณประมาณเนี่ยครับแล้วยังแปลกใจว่ามันมเกิดอะไรขึ้นอะไรครับเป็นกิเลสตัตณหาเราหรือว่ามันจริงๆอะไรผมไม่ทราบ น, นะครับเป็นประมาทนะมันยังไม่คิดว่าจะตายเร็วใจมันยังประมาทอยู่ พยายามพิจารณาทุกวันมันมีบทสวดมนต์อยู่บทหนึ่งนะว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเนยมีความตายเป็นธรรมดามีความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นธรรมดาพย า, ยามพิจารณาอย่างนี้ทุกวันนะเราจะได้แม่ประมาทเตือนตัวเองเรื่อยๆอ๋อต่อไปขอบคุณครับยังไม่ต้องพูดถือไม้ไว้ก่อน หนูที่นั่งสมาธิมันบังคับจิตเกินไปนะดูออกไหมอย่างนี้นั่งไม่ได้ฮนะบังคับเมื่อยกว่าเรานะนั่งดูร่างกายหายใจอย่าถลําจมลงไปที่ลมหายใจเห็นไหมร่างกายหายใจดูร่างกายหายใจนะไม่ใช่ดูลมหายใจเห็นร่างกายคือเห็นทั้งตัวเนี้ยมันกําลังหายใจอยู่ไปฝึกอย่างนี้ะครับ กราบนมสักการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือวันนี้มีข้อสงสัยเรื่องสมาธินะเจ้าค่ะแล้วหลวงพ่อก็เมตตาอธิบายจนละเอียดแล้วเจ้าค่ะแต่อยากจะขอสรุปไม่ทราบว่าเข้าใจถูกหรือเปล่านะเจ้าค่ะที่เคยได้ฟังหลวงพ่อบอกว่าถ้าไม่มีสมาธิพอเนี่ยปัญญาจะไม่คมที่จะตัดกิเลสได้คําว่าสมาธิตรงนี้ก็คือสมาธิจิตตั้งมั่นใช่ไหมคะใช่สมาธิที่คนในโลกนี้ฝึกนะ เกือบร้อยละร้อยคือสมาธิชนิดฝึกให้จิตสงบไม่ใช่ฝึกให้จิตตั้งมัน่นสมาธิอย่างนั้นใช้ไม่ได้หรอกตอนหลวงพ่อบวชใหม่ๆนะมีคุณยายท่านหนึ่งอายุแปดสิบกว่าแนละ้วน่าจะแปดสิบเจ็ดมหาหลวงพ่อที่เมืองการแล้วก็บอกหลวงพ่อบอกว่านีฉันเป็นลูกศิษย์ครูบาจารย์เดียวกับหลวงพ่อลูกศิษย์หลวงพุทธ แต่ว่าไม่ไม่ค่อยเข้าไปนะนับถือหลวงปู่รักหลวงปู่ภาวนาแต่ว่าไม่ค่อยถามก็ค่อยๆทำของตัวเองไปด้ว ย, วยแล้วจนกระทั่งแก่มากแนละ้วอายุ8ปดสิบกว่าแล้วเนี่ยได้ฟังซีดีหลวงพ่อเลยรู้ว่าตัวเองติดสมถะติดเพ่งนิ่งๆอยู่ยังมาขอให้หลวงพ่อช่วยแก้ให้เดินปัญญาได้หลวงพ่อดูแล้วเนี่ย ติดสมาธิมาทั้งหกสิบว่าปีถ้าเราแก้ออกมานะจิตจะฟุ้งซ่านมากกว่าคนธรรมดาจิตฟุ้งอย่างแรงเลยเพราะฉะนั้นสมาธิที่เพียงนิ่งๆเนี่ยนะไม่ทำให้เกิดปัญญาหรอกหลายสิบปีก็ไม่เกิดปัญญาและมีโทษได้คือเมื่อไหร่สมาธิเสื่อมนะอารมณ์จะร้ายกว่ามนุษย์ธรรมดามันคล้ายๆคนที่อยู่ดำรงชีวิตอยู่ในห้องปลอดเชื้อออกมากระทบอากาศข้างนอกทีเดียวตายเลยทนเชื้อโรคไม่ได้ จิตที่มันหลบอยู่ในสมาธินิ่งเฉยอยู่มันทนการกระทบอารมณ์ไม่ได้มันระเบิดเปรี้ยงเลยมา โ, โหนะเมื่อเรายังไปฝึกสมาธิซื่อบื้นะพยายามฝึกให้มันรู้น่ารู้ตัวไปอย่างตอนเนี้ยเราบังคับจิตรู้สึกไหมจ้าเจ้าค่ะเออจะอย่าไปบังคับมันมันตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นมันเป็นยังไงรั่วเป็นอย่างนั้นนะรู้ไปสบายๆจิตอยากพูดก็รู้ว่าจิตอยากพูดดูออกไหม ออ เ, เออนั่นแหละดูอย่างนั้นเห็นไหมความอยากพูดเกิดเองตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับเองเสิ่งทั้งหลายเกิดมาแล้วก็ดับไปเกิดมาแล้วก็ดับไปเนี่เราจเจริญปัญญาอยู่ที่ฝึก อ, อยู่ใช้ได้นะไปทําต่อเจ้าค่ะขออีกนิด น, นึงนะเจ้าค่ะคื อ, อ, อ ท, ที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ให้ทําความสงบก็คือ ความสงบที่นี่คือก็สมาธิจิตตั้งมั่นหรือเจ้าค่ะถ้าตั้งมั่นได้ก็ตั้งมั่นตั้งมั่นไม่ได้ก็ให้มันฟั้งแช่อยู่ในอารมณ์มันเดียวไปก่อนแล้วรู้ทันว่าตอนนี้มันไหลไปแช่เช่นมันไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้นะเดี๋ยวมันก็ตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่ไม่ตั้งมั่นเนี่ยจ่จิตมันไหลไปไหลมาครุงเคลงคลอนแคลนนะถ้าเรารู้ทันมันก็ตั้งขป้นมาเองแล้วแล้วปกติยมจะปฏิบัติโดย โดยการเคลื่อนไหวอะไรจะรู้สึกตัวเจ้าคะ่ะรู้กายรู้ใจไม่ค่อยได้ทําในรูปแบบคือไม่ค่อยได้นั่งดูลมหายใจเนีเจ้าคะ่ะไปเดินจงกรมก็ได้ถ้าชอบเคลื่อนไหวนะหรือกวาดบ้านก็ได้เจ้าคะ่ะกวาดบ้านไปนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูอย่างนั้นก็ได้แล้วถ้าจิตมันหนีไปก็ร่วงเจ้าคะ่ะสมาธิที่ทําอยู่ก็ใช้ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะใช้ได้แต่ไม่พอ <laughs> ไม่พอคื อ, อยังฟุ้งอยู่ ใชค่ะงั้นก็ควรจะต้องสังเกรตไหมอย่างตอนนี้จิตไม่ตั้งมัน่นเจ้าค่ะถ้าพอนะ่คุยอยู่เนะี่ยจิตก็ไม่ไหวไม่ไหลไปไหนแต่เราจะพอเต็มที่เลยนะต้องได้ผ้านาคาไม่ต้องกลัวนะค่อยๆทำไปพระโสดาบันนะมีศีลบริบูรณ์มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยเรายังไม่ใช่โสดาบันเลย แตาจะกลัวอะไรสมาธิเล็กน้อยสมาธิเล็กน้อยยังไม่มีเรามีสมาธิจุ๋มจิบอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยฝึกทุกวันทุกวันมันก็เยอะขึ้นเองแหละนะอย่าละเลยนะอดทนความอดทนสำคัญที่สุดเลยนะเก่งชั่วครั้งชั่วคราวผูว้ป้าไม่ได้เรื่องหรอกเดี๋ยวก็ขี้เกียจนะแต่ความอดทนนะอดทนต่อความขี้เกียจของตัวเอง อดทนต่อความกลัวงโง่กลัวไม่รู้กลัวไม่บรรลุมรรคผลอันนี้ก็ต้องอดทนไม่ต้องไปกลัวมันไม่บรรลุก็ไม่บรบรลุงโง่ก็โง่นะเรียนรู้มันไปอย่างที่มันเป็นอย่างหนูคนแรกนะ่ะติดเพ่งนะรู้สึกยังว่าติดเพ่งอยู่ถ้าจิตเหมือนอย่างนี้ปกติเหมือนอย่างเนี้ยแสดงว่าติดเพ่งนะกราบพระคุทธเจ้าอ้อาวคนที่สี่ เดี๋ยวก่อนหลวงพ่อตัดพอต่อ ว, ว่าพวกที่อยู่ในห้องก่อนจิตหนีไปไหนกันหมดรู้ตัวไหมโอ้เห็นแล้วหลวงพ่อเป็นครูที่ดูนะครูที่ดูงั้นแต่กรยมดูน้อยหน่อยกับพระดูเยอะเรา่าเสียเยวลาเปล่า อย่างถ้าเรานั่งแล้วเราใจลอยเนยชีวิตเราหายไปเปล่าๆแล้วตายเปล่าไปช่วงหนึ่งละความทุกข์ยังอยู่จิตเรายังไม่อิสระจิตยังติดคุกอยู่เราละเลยไม่ได้ที่จะต้องขวนขวายพาจิตนี้ให้เป็นอิสระให้ได้เงี้เราอย่าปล่อยจิตให้ล่องลอยเที่ยวล่อนเร่ไปอะไรให้ความรู้สึกตัวนะ ทุกเวลาทุกนาทีมีค่าทั้งสิ้นอย่าทิ้งเปล่าๆฝึกไปอ่ะน้มาสการเจ้าค่ะเวลาภวณาพุทโธแล้วแน่นอึดอัดเจ้าค่ะอืมเพราะว่าจงใจบังคับจิตถ้าพุทโธเล่นๆไม่แน่นหอกแต่พุทโธแล้วแน่นเพราะบังคับจิตถึงใช้อารมณ์กรรมฐ า, านอย่างอื่นถ้าบังคับจิตมันก็แน่นเหมือนกัน รู้ลมหายใจเราบังคับจิตให้นิ่งอยู่ที่ลมเนะแน่นเป็นทุกคน <Okay. S 1> แน่นรู้ว่าแน่นเราสังเกตต้นต่อของการแน่นการแน่นเกิดจากการที่เราเข้าไปแทรกแซงจิตทําไมแทรกแซงเพราะอยากให้มันดีอยากให้มันสุขอยากให้มันสงบอยากให้มันได้มรรคผลนิพพานเต็มไปด้วยความวาอยากนึกออกไหม <Okay. S 1> ให้รู้ทันใจที่อยากความอยากดับ การบังคับจิตก็จะดับไปด้วยตัญหาสิ้นไปความอยากสิ้นไปความพรุงแต่งคือการสร้างทบในใจเราก็จะสิ้นไปไม่บังคับจิตเจ้าค่ะรู้ทันมันไปเจ้าค่ะแต่โดยภาพรวมที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะเจ้าค่ะขันมันเริ่มแยกแล้วดูออกไหม<ะ>เห็นไหมกายกับใจไมโคนล้านเนี่ยเห็นไหมร่างกายที่ไปยักหน้ามันเป็นของถูกหรู มันไม่ใช่ไม่ใช่จิตค่อยๆดูไปอ้าวต่อไปขอขอคนนี้ตื่นเต้นมากเลยหลวงพค่ะเวลาฝันนะคะบางทั้งที่บางทีก็รู้ว่าฝันแต่ว่ามันจะเห็นร่างกายตัวเองในฝันแต่ไม่เห็นร่างกายตัวเองที่นอนอยู่ร่างกายตัวเองในฝั น, นมันไม่มีจริงร่างกายตัวจริงมันนอนอยู่ในขณะนั้นเราอยู่ในโลกของความฝัน เราไม่สามารถรู้กายรู้ใจซึ่งอยู่ในโลกของความจริงได้เวลาที่เราคิดเนี่ยขณะที่คิดเนี่ยนะจิตทำงานเช่นเดียวกับความฝันเวลาเราคิดตอนนอนหลับเรียกว่าฝันเวลาเราฝันตอนที่ตื่นอยู่เนี่ยเรียกว่าคิดที่จริงจิตทำงานแบบเดียวกันนะ เันจิตที่หลงไปอยู่ในความคิดเนี่ยไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้ไม่ต้องนอนหลับหรอกตื่นอยู่นี่แหละลงใจลอยไปที่อื่นใชยุงมากัดที่แขนที่ขา ย, ยังไม่รู้เลยเพราะใจลอยเห็นไหมใจหนีไปคิดโน้นคิดนี่ไปเพราะนใจหลงไปอยู่ในโลกของความคิดมันจะทิ้งกายมันจะทิ้งใจที่เป็นปัจจุบันไม่สามารถรู้ได้นะตอนนอนหลับจิตที่ไปอยู่ในโลกของความฝันก็ทิ้งกายทิ้งใจไม่สามารถรู้ได้ ตอนตื่นขึ้นมาเนี่ยจิตก็ไปอยู่ในโลกของความคิดก็มีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจมันก็ปฏิบัติไม่ได้สักทีเพราะฉะนั้นเราจะต้องหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวโลกของความตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราตื่นจะเห็นความจริงของกายของใจได้ไม่งั้นเราจะลืมนะตอนฝันช่างมันเถอะเอาตอนตื่นนี่แหละอย่าให้กายให้ใจหายไปหมดก็แล้วกัน ในขนาดเดียวกันก็อย่านั่งเพ่งกายอย่างขนาดนี้เริ่มเพ่งแล้วรู้ตัวไหมใจมันจะแน่นถ้าใจเราแน่นใจเรามีน้ำหนักเกิดขึ้นนะแสดงว่ามีการเพ่งเกิดขึ้นแล้วเป็นวิธีดูที่ง่ายๆเลย <c oughs> อย่างเงี้ยแน่นมันไม่ยอมแน่น <c oughs> ถ้าบังคับมันอาจจะแน่นอา้าต่อไปของคนนี้ไม่มีอะไรมากเนะาะฟุงสร้านเท่านั้นแหละ มรส ก, การหลวงพ่อจะถามว่าที่ดูจิตเนี่ยดูถูกแล้วหรือเปล่าครับดูถูกแต่ใจมันยังฟงุ้งซ่านเกินแล้วก็เรื่องสมาธินะครับคือมันเป็นสมาธิจิตตั้งมัน่นหรือว่าเพ่งเมาเหรอครับที่ผมทํำครับขันมันแยกได้นะรู้สึกไหมรู้ขันแยกได้เนี่ยแสดงว่ามีสมาธิชนิดตั้งมัน่นถ้าแช่แล้วก็ขันไม่แยกะ่ะจิตกับขันไปรวมกันหมดเลยนะแต่ว่าสังเกตไหมสมาธิตั้งมั่นก็ไม่เที่ยง เดี๋ยวก็ตั้งเดี๋ยวก็หลงไปเลยเดี๋ยวก็ตั้งแช่สลับกันไปมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจุดอ่อนคือใจฟุ้งซ่านจริงเพราะนั้นทำกรรมฐานที่จะชะลอความฟุ้งซ่านหน่อยเช่นอยู่กับพุทธโธอย่างเงี้ยพุทธโธเป็นความคิดพุทธโธเป็นความคิดแต่เราจงใจคิดพุทธโธ ถ้าเราไม่คิดพุดโทโธจิตก็คิดเรื่องอื่นโดยเราไม่รู้ว่ามันคิดอะไรมันคิดสเป ส, สป่าไปเรื่อยๆนั้นเราจงใจมาคิดพุดโทโธเมื่อไหร่ที่มันลืมพุโทโธแสดง ว, ว่ามันหลงไปที่อื่นแล้วเราก็จะรู้ว่าอ้าวหลงแล้วหลงแล้วรู้ไปเรื่อยๆต่อไปพอมันหลงปุ๊บนะ่ะจะรู้ได้เองเลยนะสติจะเกิดนะหากเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะพุโทโธก็ได้ลมหายใจก็ได้แล้วแต่ถนัดแล้วค่อยรู้ทันเวลาจิตไหลไปหลงไป แล้วจะดีว่านี้ที่ปฏิบัติเถูกแล้วแต่กำลังมันยังไม่พ อ, อา ก, การนักการนักการหลวงพ่อคะ่ะคืออยากถามหลวงพ่อสั้นๆว่าจิตหนูถูกบ้างเปล่าคะอืจิตหนูเป็นอะไรนะคือหนูฟัง YouTube หลวงพ่อทุกวันนะคะยกเว้นวันหยุดแล้วก็ขยันปฏิบัติเงินเมืองแต่มาฟัง YouTube หลวงพ่อครั้งหนึ่งบอกว่าถ้าขยันปฏิบัติแต่จิตไม่ถูกก็ขยันเหมือนกับวัวควาย เลยเสียกร้าว่าจิตหนูอพอถูกบ้างเปล่าคะสังเกตเคยเห็นมหมกายกับใจเป็นคนละอันกันเห็นค่ะเอออย่างนั้นอะถูกนะเคยเห็นไหมว่าความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วกับจิตใจเป็นคนละอันกัน เ, เห็นค่ะเอออย่างนั้นอะถูกนะถ้าเราปฏิบัติถูกนะขันมันแยกรู้จักหลวงตามหาบัวไหมรู้จักค่ะหออลวงตาสอนดีนะท่านบอกว่าถ้าแยกธาตแยกขันไม่เป็นนะย อย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญานะงานหลักของเราคือเจริญปัญญาแต่เราแยกธาตุแยกขันได้แล้วเนะียเรียกว่าเราเริ่มทํางานหลักเป็นแล้วใช้ได้เพราะงั้นเราก็ดูกายดูใจมันทํางานไปนะใจเราเป็นแค่คนดูพอดูแล้วเหนื่อยดูไม่ไหวกลับมาอยู่กับพุทโธมาอยู่กับลมหายใจไปขอพระคุณคับเจ้าค่ะสวัสดีค่ะหลวงพ่อ ส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะได้แต่ฟังซีดีหลวงพ่อค่ะประมาณสองปีค่ะอยากจะขอคำชี้แนะค่ะเห็นกิเลสบ่อยไหมเห็นบ่อยมากค่ะดีเห็นแล้วทำยังไงก็พยายามจะดึงไม่ดีหรือออกอย่างไม่ดีตรงไหนตรงที่ไม่เป็นกลางกับกิเลสพอเห็นกิเลสเกิดขึ้นแล้วพยายามดึงจิตกลับมาไม่ต้องพยายามพยายามตัวนั้นโลภ มีกิเลตตัวใหม่แล้วรอบเพราะฉะั้นเราเห็นว่ากิเลสเกิดขึ้นรู้ว่ากิเลสเกิดขึ้นไม่ชอบกิเลนรู้ว่าไม่ชอบตรงที่ไม่ชอบเนี่ยเป็นโทสะเป็นกิเลสใหม่นะไปรู้ทันกิเลสใหม่ที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆไปเรื่อยๆกิเลสมีให้ดูทั้งวันไม่เบื่อมีเยอะแยะดูออกหรือยั ง, อองเออท่านมีเยอะมา ก, มมากแสดงว่าเก่งบางคนบอกว่าไม่มีกิเลส ฟังแล้วนั้นอยากยกมือไหว้สาธุไม่มีกิเลสเลยนต้องพระอาหารหันต์ละวบาี่ปักดีวะถ้าเราภาวนาเป็นเราจะเห็นว่ากิเลสเราดี่เยอะกว่าที่เราคิดเราร้ายกว่าที่เราคิดเยอะเลยใช่ไหมไม่ชีเออไม่ชีเนี่ยรู้ดีเลยว่าจริงๆเราร้ายมากเลยเซลจัดรู้จักไหมเอยอยังไม่ได้ส่งไปบ้านขอวงพ่อตรวจผิดคนละ <laughs> หลวงพ่อถามดีกว่าค่ะเออจิตขณะเนี้ยเป็นธรรมชาติไหมไม่ใชธรรมชาติอืไม่เป็นธรรมชาติถูกถ้าตอบถูกก็ได้คะแนนเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าสอบแบบปรนัยใช่ไหมสมัยโบราณเรียกใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่มากง่ายเจ้าค่ะถ้าสอบแบบบรรยายไม่ฉีต้องบรรยายก่อนทําอย่างนั้นอย่างนี้ได้ได้ค่ะทำง่ายได้ค่ะเออ แม่ชีรู้สึกว่าการภาวนาระยะหลังเนี่ยมันมันเบาลงอืมมันเบาลงแล้เห็นกิเลสอย่างที่ที่หลวงพ่อบอกเนี่ย ม, มากและที่ว่าลงแล้วรู้สึกไหมหลงๆเคลื่อนไปแล้วค่ะนี่แหละตรงนี้แหละที่เป็นจุดอ่อนพื้นจิตของเราเลยนะคะพอพูดเมื่อไหร่นะเราจะกระโจน อ, อจิตจะกระโจนเข้าไปในโลกของความคิดเลยแม่ชีระวังตรงนี้เท่านั้นแหละ เวลาพูดอะจิตมันกระโดดเข้าไปอยู่ในโลกของความคิดมันจะไปเรื่อยเลยพูดทันให้เห็ทันตรงนี้ให้ได้ช่วยกันแต่ไม่ได้หมายความไม่ต้องพูดกับใครเลยใช่ไมจตุไม่ใช่พูดได้แต่จิตกระโจนแล้วรู้ทันเจ้าค่ะแล้วมีอะไรที่ติขาดที่หลวงพ่อจะชี้แนะ้นตัวนี้แหละมันมีบ่อยตัวเนี้ทําให้สมาธิเราไม่เต็มสักทีค่ะราะกระโดดกระโดดกระโดดเองนะเจ้าค่ะคล้ายๆผีแมนจูรู้จักไหม กระดโดด ต, ต, ต้องไปเลยด้วยอ่ะเจ้าค่ะเออแม่ชีเอาอย่างผีแมนจูเจ้าค่ะเอาข้าเอ า, เอาอย่างผีไทยเราเจ้าค่ะอาจารย์เอาต่อไปการทำพิธีการหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านครั้งสุดท้ายหลวงพ่อเ อ, อบอกว่ายังมีโมหะแล้วก็หูดะไรนะหลวงพ่อเ อ, อบอกว่ายังมีโมหะอยู่อะค่ะอแล้วก็หลงนาหลวงพ่อให้ไปพิจนารณาในร่างกายอะค่ะ เราดูออกไหมดูออกเห็นได้อยังว่าจิตเราเปลี่ยนไปค่ะเห็นค่ะเห็นหรือยังว่าโมหามันลดลงเห็นค่ะนี่แหละลูกศิษย์ที่ดีก็ต้องอย่างเนี้ยครูบาอาจารย์ให้ทําอะไรก็ทําไปเถอะบางคนบอกให้ไปดูกายหนูจะดูจิตได้ไหมถ้าหนูดูจิตได้หลวงพ่อ ก, ก็บอกให้ดูจิตไปแล้วล่ะค่ะเม <laughs> ั่อดูกายดูต่อไปแล้วหนูจะเห็นจิตชัดค่ะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะ จิตมันตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมค่ะรู้สึก ค, ค่ะดีเอแต่ช่วงหลังนี้เหมือนเห็นโทสะเยอะขึ้นค่ะแต่ก่อนก็มีแต่ไม่เห็น อ, อ้น<า>นค่ะไม่ใช่ภาวนารับกิเลสเยอะขึ้นนะเพียงแต่ภาวนาแล้วเห็นกิเลสเยอะขึ้นไม่ใช่ภาวนาแล้วกิเลสเยอะขึ้นอ่ะเราได้เห็นได้เยอะขึ้นถ้าเราเห็นได้เยอะขึ้นเนีือสติเราเกิดบ่อยขึ้นกิเลสก็จะครอบงาใจเราไม่ได้ แล้วก็จะเริ่มสงบสุขสัขสขทีไม่ต้องดิ้นเหมือนหมาถูกน้ําร้อนอ่ะเวลากิเลสมันมาลาดจิตเราเหมือนหมาถูกน้ําร้อนอ่ะดิ้นไปดิ้นมาดีหนูภาวนาถูกแล้วเราภาวนาได้ดีไปทํำอีกแล้ว เ, เ, เริ่มเดินปัญญาหรือยังรู้สึกไหมว่ายังคล่ําครวนอยู่ให้รู้ทันเลยจิตคล่ําครวนก็รู้นะค่ะเห็นไหมหลวงพ่อเป็นครูที่ดูนะ เราจะมาอ้อนครูบาอาจารย์หลวงพ่อไม่เอาด้วยเราจะต้องเติบโตเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงยืนต้นได้ด้วยตัวเองไม่ใช่เป็นกาฝากมาแปะไว้กับหลวงพ่อเพราะฉะนั้นเราจะอ่อนแ้ไม่ได้ต้องยืนด้วยตัวเองไม่ชี้อ่อนต้องสู้ะนะไปสู้เอาขอพบพระคุณค่ะ กลับนมันส ก, การหลวงพ่อนะครับผมไม่ได้ส่งการบ้านหลวงพ่อมา3มปีกว่านะครับเดิมเนี่ยผมติตอารามานูปณิชานนะครับนั่งอานาแล้วจิตรวมลงไปมีความสุขสว่างก็มาขอให้หลวงพ่อสอนลัคนูปณิชานดูล่างกายหายใจใ จ, ใจเป็นคนดูนะครับก็ตอนที่จิตปิติสุกรวมลงไปในเนี่ยก็จะนั่งดูความว่างนะครับแล้วก็ดูไตลัคนะครับดูความคิดสักพักจิตจะเข้าไปในความว่าง นะครับอันนี้เป็นการเข้าไปพักในอรหมนูปณิชฌานใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมันก็จะถอยออกมานั่งดูไปตามต่ ต, ตถ้าเรามีปัญญาพอนะเราจะเห็นว่าเมื่อกี้ว่างแล้วก็ว่างนี้ไม่เที่ยงจิตถอนออกมาจากว่างตรงนี้ก็ไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงถ้าเราเข้าฌานไปแล้วเราเห็นองค์ฌานพวกนี้เปลี่ยนแปลง น, นะนี่คือการเจริญปัญญาในฌานนะดีนะครับผม ตอนแรกเนี่ยพอมันเข้าไปในว่างเนี่ยเรารู้สึกว่าจิตกับว่างแยกกันไม่เหมือน<ม>ตอนอารมณ์บรรณิชานที่เราโดน<ม>ความว่างครอบงำนะฮะ<ม>ต่อมาจิตถอยมานั่งดูว่ามันสึกอย่างนี้ไปสักพักหนึ่งจิตก็ยังเข้าว่างอยู่แต่พอเข้าว่างแล้วเนี่ยมันเริ่มเห็นไตรลักษณ์ในความว่าง<ม>นะฮะเห็นความคิดอันนี้มันอยู่ในอารมณ์บรรณิชานเราสามารถเห็นได้ <ใน S 2> ครับจิตมันพลิกไปพลิกมาหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดุลครั้งหนึ่งไปส่งกันบ้านท่าน ท่านบอกว่าจิตหลวงพ่อเข้าสมาธิหลวงพ่อบอกหลวงพ่อไม่ได้เข้าสมาธิแต่หลวงพ่อดูจิตเกิดดับอยู่ะหลวงปู่ดูลบอกว่าที่เราดูจิตนะเราได้ฌานอัตโนมัตินะมันจะเข้าอัตโนมัติตรงนั้นนะแล้วม่เข้าไปถึงตรงที่ไม่มีรูปนั่นแหละอ๋อที่ผมเข้าไปมันเป็นฌานอัตโนมัติที่หลวงพ่ออธิบายครับเราไม่ได้เจตนาครับจิตมันพลิกเข้าไปเองนะแล้วเข้าไปบางทีไปทรงอยู่ในนั้น เฉยๆอันนั้นเป็นอารามณูบางทีเข้าไปตัวนั้นแล้วไปเดินปัญญาอยู่ข้างในอันนั้นเป็นลักขณูเนีนะ่ยพลิกไปพลิกมาในฌานเนี่ยถ้าเราจะเดินปัญญาในฌานเนี่ยเราต้องเก่งฌานแล้วก็เก่งในการดูจิตถึงจะทําได้เพราะเวลาเข้าฌานไม่มาดูกายหรอกมันทิ้งกายไปแล้วนะมันจะดูอย่างมันดูปฏิภาคนิมิตนะไม่ไม่ใช่ดูกาย เพราะฉะนั้นเวลาควรที่จะเจริญปัญญาในฌานเนี่ยจะต้องชำนาญในการดูจิตและวชำนาญในฌานต้องชำนาญสี่อย่างของฌานชำนาญในการเข้าชำนาญในการทรงอยู่นะชำนาญในการเจริญปัญญาชำนาญในการออกจากฌานต้องชำนาญได้สีอย่างนะถึงจะเรียกว่าชำนาญในฌานชำนาญในการดูจิตหมายถึงสามารถรู้โดยไม่เจตนาได้ พระสาราีบุตรบอกว่าในเนวสัญญาณาสัญญ า, ต า, าญตะณะฌานที่แปดรูปที่สี่สามารถเดินวิปัสสนาได้ต้องเป็นพระอริยบุคคลที่ชำนาญในฌานและชำนาญในการดูจิตเวราะน้นที่เราดูอย่างนั้นใช้ได้แต่โดยปกติผมไม่เคยเข้าถึงฌานนะฮะถึงแค่เข้าไปตรงนี้ะเข้าออกตรงนี้แต่หลวงพ่อว่ามันเป็นฌานประเภทหนึ่งใช่ไหมค ที่เข้าไปดูร่างกายยังอยู่ไหมร่างกายยังอยู่ครับยังรู้รยยสึกตัวอยู่ยังเป็นรูปอยู่ครันะเราก็ยังเห็นความรู้สึกทั้งหลายเกิดดับไปบแต่ตรงที่มีความคิดแทรกขึ้นมาตรงนั้นตกจากฌานแล้วนะหลุดออกจากฌานที่หนึ่งแล้วลงมาอยู่ปัจจาระแนละ้วเพราะศัตรูของฌานที่หนึ่งนยคือความคิดคือเสียงเสียงรวมทั้งเสียงของความคิดด้วย เป็นอถ้าจิตมันหลุดออกมาได้เย็นเสียงจิตมันพูดแล้วจิตหลุดออกมาก็สแสดงว่าในช่วงถ้าเราเข้าไปในอารมณูในความว่างแล้วเราเห็นมันสแสดงไตรักษแต่ว่าไม่มีความคิดก็คือเป็นฌานประเภทหนึ่งใช่ไหครับทีนี้ช่วงสุดท้ายมันจะเรียกอะไรก็ช่างมันครับแต่ตรงนั้นเราเดินปัญญาเดินปัญญานะสลับกับการทําสมาธิถ้านิ่งอยู่ในความว่างเป็นสมถะ mm hmm. เห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่ในความว่างเป็นวิปัสสนา ทีนี้ในช่วงหลังสองสมเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจิตนั่งดูความว่างอยู่แสดงไตละกันนะฮะแล้วก็ดูความคิดแต่จิตจะไม่เข้าไปในความว่างจิตจะดูเฉยเฉยแล้วก็รู้สึกตัวอยู่เฉยเฉยนะฮะบางครั้งต้งเฉยเฉยเฉยเฉยอย่าจงใจให้เฉยนะค่ะเมื่อเป็นธรรมชาติมันเฉยของมันเองไม่เป็นไรแต่ถ้าเราทาแกล้งทำจิตให้เฉยอันนี้ใช้ไม่ได้เลย มั น, มนมเฉยเองครับหลวงพอ่อมันเฉยเองครับมันเฉยเองแล้วก็นั่งดูอยู่บางครั้งนั่งอยู่เกือบชั่วโมงหรือเป็นชั่วโมง <Options. S 1> นะฮะแล้วมันถึงค่อยมาดูไตลักต่อ <Options. S 1> แล้วมันก็ไปนั่งดูอีกมันจะไม่ค่อยเข้าว่างและในช่วงหลังเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นการ ท, รทําสมถะแบบหนึ่งหรือเปล่าครับหลวงพ่อทำไปเฮ้ออยากชิดมากเลย <laughs> <c oughs> ที่ฝึกอยู่ก็ดีแล้วครับคนสุดท้ายขอขออีกนิดนึงครับหลวงพ่อ <c oughs> คือ ธรรมาดาเนี่ยผมจะดูไตรลักษณ์ของตัวความว่างเนี่ยนะฮะความสุขทุกข์พวกนี้เกิดดับนะฮะแต่ว่าดูเข้ามาให้ถึงจิตนะครับจะดูยังไงให้ถึงจิตว่าจิตจิตเกิดดับครับหลพอสังเกตไหมจิตเดี๋ยวก็ไปรู้ว่างจิตเดี๋ยวก็ไปรู้ความคิดจิตไม่เที่ยงเห็นครับนั่นแหละดูอย่างนั้นครับเอาจิตเป็นตัวหลักครั บ, รบว่างเป็นแบกกล่าวเท่านั้นเองครัอย่าว่างเป็นหลักนะไม่ต้องไปดูว่างเกิดดั บ, บนะดูจิต แล้วอันนี้ต่างกับดูจิตผู้รู้หรือเหมือนกันครับอาจารย์เดียวกันครับก็คือตัวจิตผู้รู้นั่นเองครับจิตผู้รู้มันก็มีสามแบบตามกำลังของสมาธิจิตผู้รู้อยู่ในก ร, รมวจรอย่างนี้นะเป็นผู้รู้ชั่วขณะเป็นคณิกาสมาธิที่ก็เป็นผู้รู้อยู่ในอุปจาระที่คุณเป็นนะมันก็เป็นผู้รู้ในอัปปนา มีหลายแบบก็คือที่ผมไปนั่งดูว่างแล้วพักนานๆนี่เป็นอุปจาระใช่ไหมครั บ, รบขอกราบถวายการปฏิบัติแด่พระพุทธเจ้าและนราบถวายการปฏิบัติเป็นอาจารย์ยบูชาให้หลวงพ่อประโมทประโมโชนะครับอนุโนะมตนาการนมัสการหลวงพ่อคะ่ะคือหนูดูยู u b e มาได้ระยะหนึ่งคะ่ะ ก็ต้องขอบคุณคนทำสื่อด้วยคะ่ะคือก่อนมานี่ฝึกซ้อมส่งการบ้านมาจากบ้านคะ่ะพอมาถึงจริงๆแล้วนึกไม่ออกค่ะ <laughs> มันมันหายไปเป็นสุญญตาค่ะ <laughs> แต่ว่าคือเหมือนบางครั้งก็เห็นจิตกับความคิดมันมันแยกกันอะคะ่ะ <laughs> ใช่แต้ก็จิตกับอารมณ์ มันมีสับเฉพาะคือคำว่าจิตกับคำว่าอารมณ์จิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้อย่างตาเราเนี่ยเห็นรูปรูปเป็นอารมณ์ที่ถูกจิตรู้แต่จิตอาศัยตาไปรู้รูปอาศัยหูไปรู้เสียงอาศัยใจไปรู้ความคิดงั้นจิตจะเป็นตัวผู้รู้สิ่งใดถูกรู้เรียกว่าอารมณ์มี่สองอัน ต้องแยกให้ได้สองอันเสมอนะฝึกเกิได้ถ้ามันรวมเป็นหนึ่งใช้ไม่ได้ค่ะก็ตอนนี้ตื่นเต้นก็ก็รู้ว่าตื่นเต้นมาจนแล้วก็บางบางครั้งก็รู้สึกเหมือนตัวเองเริ่มรู้เริ่มเริ่มเห็นนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่ารู้จริงๆหรือแค่คิดอะค่ะรู้ว่ากำลังสงสัยเอาปัจจุบันทิ้งปัจจุบันเมื่อไหร่ผิดมานั้นน ะ, ะหมดเวลาแล้วพอดีเป๊ะเลย ครับวันนี้ก็พวกเราก็ได้ฟังธรรมเสร็จแล้วนะครับวันนี้เรามีปัจจัยและเทธรรมนะฮะซึ่งมีผู้ได้ทํามาถวายหลวงพ่อนะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะนําถวายหลวงพ่อต่อไปนะครับ เ, เดี๋ยวผมจะกล่าวนำถวายทานนะครับขอให้ทุกท่านตั้งใจนะครับแล้กล่าวตามผมนะครับ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อประโมทปราโมโชขอหลวงพ่อได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวกราบสิน้นกาแล้นานเทินหลวงพ่ออนุมโมตนากับพวกเราทุกคนนะเช้า ว, วันอาทิตย์ อ, อุตส่าห์มาฟังธรรมหาสิ่งซึ่งมันมีแก่นสารสาระให้กับชีวิตตัวเองเป็นความฉลาดของเรานอนุโมตนากับมูนิธิมุลิธิอะไรปะ สื่อธรรมหลงพ่อประมุมนะูนิีน่มันเยอะนะไม่ว่าปอดต็กตึงตรงนี้ใกล้ๆนะอนุโมทนามูนิี่สื่อธรรมกับชมรมจิตตะศึกษาปัจจัยที่ถวายหลวงพ่อเนี่ยยกให้ชมรมจิตตะศึกษาไปเด็กมันจะได้เอาไว้ใช้ทำงานหลวงพ่อไปละนะ